แก้ปัญหาครอบครัวต้องใช้คำพูดที่กระตุ้นให้เกิดความคิดไม่ใช่โทสะเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวคุณจะหวังพึ่งกุศลแบบไปทำบุญสังฆทานและอธิษฐานเพื่อให้สบายใจขึ้นก็ได้แต่อย่าลืมทำตามขั้นตอนที่เป็นไปได้จริงด้วยวิบากที่กำลังเล่นงาน ไม่ใช่จะใช้ทางลัดอะไรมาแก้ได้มีแต่สติปัญญาที่จะพาเราไปสู่ความสว่างแล้วก็ทำให้คนรอบตัวค่อยๆสว่างตามปัญหาร้อนร้ายเกินกว่าที่เราจะมาแผ่เมตตาและให้เขากลับตัวกลับใจแต่เป็นไปได้ที่เราจะแผ่เมตตาและฝึกเลือกคำพูดที่จะช่วยให้เขาเกิดจิตสำนึกขึ้นมา ถ้ามองว่าปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องของบาปเราก็ต้องมองว่าบาปไม่ได้ทำกันในวันเดียวทั้งบาปเก่าที่นึกไม่ได้ในชาติปางก่อนและบาปใหม่ที่ยังจำได้อยู่หลัดหลัดเช่นเคยทุ่มเถียงเกยด่าพ่อด่าแม่และอื่นๆเหล่านี้ทำกันหลายวันหลายเดือนหลายปีเราจะเอาบุญเอาความสว่างแบบไหนไปขัดง้างความมืดดำที่สะสมมานาน สิ่งที่ทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญขั้นสูงสุดก็คือการเจริญสติภาวนาแต่เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเจริญสติภาวนาณนะจุดเกิดเหตุที่กำลังมีอกุศลจิตเกิดขึ้นเช่นมีโทสะแรงโมหะหน า, นาโลภะแข็งกล้าขณะที่สามารถทำผิดศีลข้อไหนก็ได้บุญขั้นสูงเหมาะกับบุญที่ยกระดับขึ้นมาแล้วถึงขั้นกลาง โลภะโทสะโมหะยับยาบต้องหายไปแล้วคุณอาจจะเพิ่มทุนให้ตัวเองด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วนึกล่วงหน้าว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบซ้ำๆเดิมๆเก่าๆคุณจะมีจิตแบบนี้จิตที่เย็นพอจิตที่มีเมตตาพอการอยู่ในภพมนุษย์วิธีที่ดีที่สุดที่คนเราจะจูนเข้าหากันก็คือด้วยคาพูด และคําพูดที่จะจูนจิตคนให้เข้าหากันได้ต้องเป็นคําพูดที่กระตุ้นให้เกิดความคิดไม่ใช่คําพูดที่กระตุ้นให้เกิดโทสะถ้าหากว่าจิตของคุณมีอาการลักบาบและเพิ่มบุญอยู่เป็นปกติจนกระทั่งสามารถทําให้เขารู้สึกขึ้นมาได้ว่าคุณยืนอยู่ในเขตสว่างจริงๆและคุณมีสติมากพอที่จะฉลาดเลือกคําพูดที่ทําให้เขารู้สึกว่าตอนนี้ คุณไม่ได้ด่าเขาคุณไม่ได้ตอกย้ำซ้าเติมว่าเขาเป็นคนเลวแต่คุณมีคำพูดอะไรบางอย่างที่มีสติมีความฉลาดณนะขณะเกิดเหตุกระตุ้นให้เขากลับมาคิดได้กระตุ้นให้จิตของเขาเปลี่ยนสภาพจากอากุศลดำมืดเป็นกุศลที่มีความสุขสว่างขึ้นมามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ทำให้อะไรๆดีขึ้นไปตามลาดับนะครับ หลักของครอบครัวไม่ได้หมายถึงผู้นำทางการเงินแต่หมายถึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณถ้าในครอบครัวมีคุณอยู่แค่คนเดียวที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องสว่างสว่างเกี่ยวกับบุญกุศลเกี่ยวกับการเจริญสติคุณต้องรู้ตัวว่าคุณถอยไม่ได้ยอมแพ้ไม่ได้เพราะถ้าคุณถอยหรือว่ายอมแพ้คนเดียวจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยในชาตินี้